ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมชาดกแผ่นที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุรุธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3พสาธรรมชาดกแผ่นที่สให้คติธรรมว่านัตถิวิชาสมังมิตตัง ไม่มีมิตรใดเสมอด้วยวิชาคือความรู้อันนี้ก็เป็นชาดกแผ่นที่สี่สำหรับพวกเราคณะทาญาิโยมทุกทุกท่านให้ฟังเพื่อเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพราะว่าชาดกที่ได้พูดได้กล่าวมีเรื่องมากหลากหลายในแนว ความคิดเพราะว่าในชาดก อ, าอย่างทศ ช, ชาติอย่างนี้เป็นต้นก็มีพระเวชจันดรท่านเน้นไปในทางทานบารมีภูริทัตศีระบารมเาีเตมิยะในขันติบารมีมีมากมายในทศ ช, ชาติมีบารมีทั้งสิบอย่าง คือพระพุทธศาสนาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านยกบา ร, รมีขึ้นมาสิบทัศแล้วก็สาสบทัศยี่สิบทัศสามสิบทัศคําวัตทัศคํานี้ก็คือหนึ่งสองสามคำว่าหนึ่งสองสามคือบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีสัมปันโนปัญญาอุปบา ร, รมีสัมปันโนปัญญาปรมาถะบา ร, รมีสัมปันโน คือปัญญามีสามขั้นปัญญาธรรมดาปัญญาที่ใช้สติปัญญาไปในทางที่เหนือขึ้นแล้วก็เป็นปัญญาที่ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ เ, เป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาอันยอดเยี่ยม น, นี่ปัญญาที่มันมีอยู่สมระดับ เ, เพราะนั้นพกอย่างทานก็เหมือนกันทานก็มีสมระดับศีลก็มีสามระดับ รวมแล้วทั้ง10บอย่างเป็นเป็น ส, สแล้ ว, วบบารมี30มสิบทัศต้นกลางและกระสูงสุดเพราะนั้นจึงมีคำที่ว่าชาดกอย่างที่พูดที่ได้กล่าวเนี่ยก็เป็นตัวอย่างแต่ละองค์พระเวทสันดรเป็นตัวอย่างอย่างไรมหาชนกเป็นตัวอย่างอย่างไรภูริทัตเป็นตัวอย่างอย่างไร เทมิยะเป็นตัวอย่างอย่างไรถ้าพวกเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วพวกเราจะได้นำแนวพระองค์ท่านที่ท่านได้ตรัสเอาไว้ในชาดกที่พระองค์ได้ผ่านมาแล้วนั้นนำมาพวกเราจะนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็มาพวกเราจะได้รู้จักแนวทางวิธีการเดินชีวิตของพวกเราไปในทางที่ถูกต้องในทางที่เป็นธรรม เพราะฉะนั้นชาดกที่จะพวกเราท่านทั้งหลายจะได้ฟังในแผ่นที่สีน่นี้หลวงพ่อเองมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้ได้ยินได้ฟังมากที่เดียวถ้าพวกเราฟังด้วยความตั้งใจฟังด้วยความสนใจฟังได้เพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาแล้วก็จะได้นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นนามา ประพฤติปฏิบัติปรปับปรุงกายวาจาใจของพวกเราพวกเราจะต้องเป็นคนดีไปอยู่นสถ า, านที่ใดจะเอาตัวรอดได้จะไปไม่ตกเป็นเหยืออ่อไม่ไม่มีใครจะชักนําชักจูงเราได้พวกเราจะต้องได้เรียนในวิชาหรือความรู้ในชาดกเรื่องนั้นๆชั้นเชิงในเรื่องนั้นๆวิธีการเอาตัวรอดในเรื่องนั้นๆ พิธีใช้สติปัญญาในเรื่องนั้นๆพวกเราได้อ่านได้ศึกษาแล้วพวกเราจะเข้าใจได้ในเรื่องชาดกเพราะฉะนั้นชาดกพวกเราท่านทั้งหลายจะมองข้ามชาดกนั่นคือประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประวัติศาสตร์นี่แหละพระพุทธองค์พสดมาเพื่อนํามาเป็นประวัติศาสตร์เป็นตัวอย่างสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราท่านพวกทุกท่าน ให้ศึกษาและเรียนรู้ให้ฟังและจะเกิดประโยชน์สำหรับสาหรับผู้ได้ยินได้ฟังด้วยอำนาจคุณพระสีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกขอให้มาคุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมขอให้ความปราถนานั้นจงสาเร็จ สมความมุ่งมาตนปรารถนาทุกทกท่านด้วยเทอ